หามาคิดหาบาคนสมาธิก็ทําคนให้ขี้เกียจได้เหมือนกันนะขี้เกียจในภูมิสมาธินั่นแหละภูมิไม่ได้สมาธิไม่มีความสงบเย็นเลยก็ขี้เกียจไปแบบหนึ่งพราะไม่เคยเห็นผลนยะภูมิมีสมาธิคือมีความสงบเย็นใจก็ขี้เกียจไปแบบหนึ่งคือ้คือขี้เกียจทํางานเพื่อการค้นควา้าเพราะมีอาหารคือความสงบให้ได้ดื่มอยู่แล้วเไย องเด็กอยากอยู่กันแต่นั้นจะไม่อยากออกทํางานเห็นเป็นความขี้เกียจประเภทหนึ่งห้านจึงต้องได้แยกได้แยกได้เตือนท่ามอ๋อหูความเพียรในวิธีการต่างๆเห็นการพิจารณาทางน่านปัญญาเป็นต้นนะการตัดทิเลตตัดด้วยปัญญาหนะสมาที่เป็นกระเชื่อมว่าถ้าภาวะ พูกเราเกี่ยวข้าวนี่กับเชียวเหมือนเชียวเกาะต้นข้าเข้ามารวมตัวนี่สมาธิเพียงรวมตัวกระล่อมให้ผิดมันทั้งหมดปัญญาบรรพุก็เหมือนเชียวเลยขาดขาดขาดขาดไปเรื่อยๆเรื่ยๆรวมตัวขาดรวมตัวตัดขาดขาดไปเรื่อยๆการขาดเรื่อยขาดตจากใจริงตนั้นขาดด้วยปัญญาสมาธิตะล่อมเข้ามา เป็นพลังของปัญญาที่จะคือหนุนปัญญาให้ก้าวออกสะดวกสบายให้มีกําลังรังสรรการพาิจารณาเพราะจิตที่มีความสงบย่อมอิ่มตัวในขั้นนั้นไม่หิวโหยยังไม่ตรอสะนู่นสาะนี้กับเรื่องนั่นเรื่องนี้ยุ่งเหยื่อมุ่นวากับโลกของการมีความอิ่มตัวของตัวเองด้วยความสงบนั่นแหละความสงบแลว้วพิจารณาอะไรมันก็พิจารณาทิ้ง สมาธิเป็นของสําคัญสมาธิปริพาการปัญญามหาพลาโขติมห า, าัสั้งซ่าปัญญาเป็นเครื่องหนุนสมาธิกลุม่มเงาอย่างนี้สมาธิจะทํางานได้เป็นที่เต็มฐานก็เพราะอํานาจของปัญญา จ, จะทํางานได้เป็นที่เต็มฐานก็เพราะความหนุนของสมาธินะ แตไม่ใช่สมาธิจะเป็นปัญญาขึ้นมาเองดังที่พูดกันม า, มากๆตรงหนาาหูพูดด้วยความภาคของคนนี้คือไม่จะพูดด้วยความจริงพูดด้วยความจริงก็พูดด้วยความประสบะการณ์ด้วยอ๋อมันเห็นกันอย่างนั้นหลังนั้นเราพระพุทธเจ้ารู้สาวกทั้งหนายรู้รู้ความจริงพูดได้หมดตามภูมิของความจริงของตอ๋มทีรู้มาเห็นมาไม่จะพูดด้วยความต้นเก่า พูดเป็นสมาธิก็พูดได้อย่างอาดชานต่างด้านสมาธิฉะฉานเพราะในรู้ได้เห็นสมาธิเป็นใหม่รู้ทางด้านปัญญาก็พูดได้ดานปัญญาตามผูกทของตกลุดมลงแล้วพูดที่หลุดพ้นไปแล้วนั่นกำไมจะพูดไม่ได้ก็รู้เห็นหมดนี่คือความจริงเห็นด้วตัวเองทุกอย่างสมาธิก็เห็นด้วยตนเองปัญญาก็รู้ก็เห็นด้วยตนเองที่เลสทุกประเภทละด้วยสติหรือด้วยปัญญา ไม่ใช่ละด้ยสมาธิมันก็รู้เลยทีจริงสมาธิทําอย่างนั้นอย่างนั้นสมาธิหน้าทีสมาธิเป็นทําที่เดลดให้เป็นอย่างนั้นอย่านั้นไงาธิงปัญญาทำกิเลสให้เป็นอย่างนั้นอนั้นมก็รู้มีคือความจริงนเห็นได้ชัดอย่างนั้นผมเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังตี่กลางตีหงิก็พูดทำท่าทักษาแล้วเออชียิตจะพูดพูดนี่พูดเพื่ออะไรผมไม่ people, them, Không, ได้พูดเพื่อโอ้เพื่ออวดหมู่เพื่อนผมพูดเพื่อเป็นกติให้หมู่เพื่อนได้กระด ถึงใจถึงใจเวลาจะนําบอกท้ามันก็สะดวกถึงใจแล้วมันจับช้าได้สะดวกไม่กล้าพูดว่าสมาธิเป็นสมาธิหนาเนะสมาธิไม่ได้กลายเป็นปัญญานะบอกชัดๆอย่างนั้นถ้าเฝ้าสมาธิมันเฝ้าจนกระทั้งมันตายก็ไดเป็นปัญญาให้นะแต่ช้าออกเรื่องกินข้าอยู่มน้าตํารานแล้วมันนอนสมัยว่างมันดี จินเพื่อมีกําลังออกทํางานด้วยสิหนินะนี่ครับทานทานกินข้าวันเดียวกันนะกิงเพื่อนอ น, นะจึงเพื่อออกมีกําลังออกทํางานด้วยี่ทํางานเน่ะทํางานคือปัญญาพิจารณาแยากแยะดูภายนอกภายในอยากไปหนักกับอะไรเบากับอะไรในความสำคัญ น, นะความท่านหนักนั่นแหละสําคัญมาก มันถนัดอะไรคุณลินิตสัยมันถ้าพิจารณานอกก่อนอพิจาณาในอ่ะเอาตรงนั้นละ่ะนั่นละ่นะสัจธรรมอยู่ด้วยกันนั่นเองอย่างที่อาจรสอนให้ไปดูปา่าช้าธรระเยี่ยมปา่าช้าเยี่ยมป่าช้าคือไปดูสิ่งไม่พึงปรับทานหนาในป่าช้านั่นเองมันทําไมมันไม่เห็นอันป่าช้าอยู่ในกลวงกลัวเนี่ยแบกบไปแบกมาอย่างนี้มันทํำไมไม่เห็นไปดูนั่นสิความหมายว่างั้นแต่เห็นนั่นแล้วมันก็ย้อนกลับมาอีก ใช่เ น, นาะภายในจริงๆอัจฉริยะถิธาว่ากายยกรเยติยานุปัชชีหาติภายในก็ได้การนอกก็ได้เป็นการจะทำด้วยกันเป็นสติประฐานด้วยกันกิเลสมันเป็นได้ทั้งนอกทั้งในนี่ไม่ได้ไเลือกอันไหนที่เป็นสายกิเลสมันเป็นได้ทั้งนั้นนอกก็เป็นได้ในก็เป็นได้อันไหนที่เป็นสายธรรมนอกก็เป็นได้ในก็เป็นได้ที่งนานชันเนดเจนนะ ถ้าทำพิธมามันจึงก้าวนะเราอยู่เฉเสงบงงกันชี้เกียรติอยู่ความสงบงงทําทอะไรบ้างก็ตากแดดตากฝนบ้างก็ร้อนบ้างหนาวบ้างอาะไรวิ่งเข้าเจอล่มนอนหากัดข้างไม่ได้เื่อมอะไรี่พอมีสมาธิบ้างก็เป็นงานเศรษกิจมันหบอกพิธีมาสมาธิขัน้นใดก็ตามมันเป็นบาดฐานของปัญญารา้ทั้งนั้นนะ บางครั้งมันมีสมาชิกมันยังฟาดมันได้ลุงอย่างนั้นกับมีจะเป็นกรณีพิเศษที่จะนํามาใช้ในเหตุการณ์ที่เหมาะสมในเวลานั้นอะอันนี้ไม่พูดยืนยันทั่วไปพูดยืนยันได้เฉพาะเหตุการณ์ที่ควรจะใช้ปัญญาแบบนั้นอันนี้ผมก็เคยใช้มาแล้วนี่เกี่ยวตลาดเป็นสไตล์จริงมันทํามามันต้องมียุ่งเนี่ยิดเนี่ยมันยู่อะไรหนาหนาโน่นตามยุ่งนันเอาคนถึงปัญญาไล่ต้อนมันนี่ตลาดเป็นสไตล์ด้วยกันนะ แบบที่ว่าต่อสู้เสือด้วยก๊อปั้นมันไม่มีเครื่องมือต่อสู้เอาก๊อปั้นฟัดมันก่อนสถิติบัญญัมันก็ไม่สิ้นสุดกับผู้ใดนะมันแล้วแต่กันเราจะหาบาร์ทิจนาพริกแปงเปลี่ยนแปลงเอามาใช้มมันกระจายไปได้เช่นเดียวกักิเลสมันเอียดยิ่งกวิเลสยิ่งฆ่ากิเลสได้เะลาปัญญาออกนี่โหมันรอบเป็นหมด มันรวดมันเร็วอะไรจะเร็วกว่าสติปัญญาวะออย่างอะไรสรวลอะไรเขาวิ่งรอบโรกเท่านั้นนาทีนัดที่นาทีจิตมันยับเดือดเท่านั้นฮมันรอบของมันแล้วอาเรื่งกับจิตไอ้อะถึงขั้นมันเร็วฤทธิไม่คาดไม่ฝันมันรู้ทัดๆหนึ่งมันเป็นขึ้นมาในใจเวลามันเตียงไก่บอแล้วท่านถึงว่ามหาศิลป์มหาปัญญา อยู่อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไม่มีคําว่าดเสริมมันมีคําว่าบังคับให้มันทำงานนอกจากร่างเอาไว้ต่งนั้นเองแม้นระทั่งมันเลยเถิดเป็นที่ท่นว่อธธาอุทจจ่าอุทจจ่คือมันเลยเถิดพูดง่ายๆอย่ า, ยาเลยเถิดความหมายว่าอย่างนั้นอุทจจ่าอย่าเลยเถิด <c oughs> ถึงเวลาที่ควร ภ, ภาคมั่งสมาธิมีอยู่นั่นพูดง่ายๆข้ามีอยู่เอากินที่ภาคมีอยู่ภาค อย่าไปขุดกอบขุดเสียบทั้งวันทั้งคืนฟันไม้หัวต่ออยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่กินไม่หลับไม่นอนมันตายนะความหมายว่าอย่างนั้นปัญญามันเป็นอย่างนั้นแหละมันขุดมันค้นมันคุ้ยเฉียอยู่ตลอดเวลาเวลาเจอแล้วฟัดกันเลยอถึงเวลา พ, ากาพากักก็พักอยงบอกถ้าสมาธิแล้วถึงจะขาดการเสียการเสียงานได้บ้างเสียไปเถอะเาถึงจะเสียเวลาวเวลาไปบางเสียไปเถอะวัตถุสิ่งของที่นํามาปนปือ ร่างกายเพื่อกําลังเสียกก็เชียไปเถอะเพื่อจะเอากําลังนี้ไปประกอบพลังงานให้ผลขึ้นมามากยึ่งกว่านี้น่ะเมื่อจะพักก็ต้องพักแ่เนาะอุทจฉาเราแตก่ก่อนเราไม่เข้าใจพอเจอกันแล้วมัเข้าใจเองอ๋อเป็นอย่างนี้แล้วอุทจฉาหนูอุทจฉ า, ว า, ธธ า, จาความฟุ้งซ่านอะไรอางเงไม่ได้ฟุ้งซ่านไปนอนเนี่ยอุทจฉาอันนี้ มันวุ่นอยู่กับงานต่างหาเพลินในการในงานต่อเป็นเรียกว่านักต่อสู้เลยไม่รู้จักเป็นตกตายล่ะนั่นฟาดกับยีเล่ไมนได้ไปยุ่งกับอะไรล่ะลูกเสียงขึ้นรถเครื่องสัมผัสเฮ้ยมันไม่ยุ่งมันเหมือนไม่มีแต่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นอยู่ภายในกิ่นี้ดิยีเล่อยู่นี้ดิมันรวมตัวเข้ามาหมดแล้วมันไม่ได้ไปยุ่งกับยุ่กับเสียงกับกลิ่นกับรถมันรวมตัวเข้ามานี่ก็เอากันในก้นโอ่งนี่แหละตะกอนอยู่ก้นโอ่งเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งแม้หลักกับตะกอนหรือตมหรือคนมันอยู่ ในบึงในบ่อในน้องที่ไหนก็ไม่ต้องประยุยุ่งมั น, ม, น, นมันอยู่ในหัวใจเนี่ยมันอยู่ก้นโอ่งนึกฟัดลงก้นโอ่งเนี่ยเอาควนลงก้นโอ่งอ่างเ้ภาพก้นโอกมันแตกค้างนุงหมดอย่างไงอือฮะที่ท่านบอกอุทาจากักมันเพลในความเพียรอย่างที่ว่าพระโสนับท่า น, นประกอบความเพียรจนกระทั่งฝ่าเท้าแตกนี่ก็เหมือนกัน ก่อนเราก็ไม่เข้าใจทำไมท่านหนึ่งมันยังกลมยังฝาดเท่าแต่ออเพราะความดูดดื่มของความเปลี่ยนของท่านนั่นเองลงได้กล้าลงทางยนยังกลมแล้วมันลืมไปเลยเวลา่ำเวลาเลยมีมิ่งแต่คูดอ่จิตกับกิเลสที่มันฟาด ก, กันนะและตุ่ยปัญญากับข่าศึกที่มันต่อสู้กันมันเท่านั้น ลืมไปหมดความหิวความห้อยอะไรนั่นลืมไปหมดความร้อนความหนาวไม่สนใจเลยมันสนใจแค่นั้นนั่นแหละที่ก่านว่าฝ่าเท้าแตกอันตท่านอาจจะไม่พักผ่อนสังสมาธิก็ได้รตว่าเอาซะจนฝ่าเท้าแตกแ้่เราไม่ถึงฝ่าเท้าแตกแต่ว่าออกร้อนเหมือนไฟเผานะเวลาออกจากที่มาแล้วถึงรู้นะออกร้อนหมอนโอ้โหหากไม่แตกนะ มันครับมันพอจับได้เรื่องนี้อย่างพระจักคูบาลท่านไม่นอนสามเดือนก็เหมือนกันก็คือว่าหมุนติวนั่นเองลืมลหมดเรื่องร่างกายอะไรไม่สําคัญมันสําคัญอยู่นี้เท่านั้นที่ที่จุดต่อสูอ้นี้เท่านั้นนั่นทีนี้อะไรทั้งก็ปล่อยไปหมดอไม่นอนไม่นอนไม่ต้องนอนอตั้งแต่วันเกิดมานอนมากี่ปีกี่เดือนแล้วความหมายมะนงั้นเองอสู้กับพิเรนเนี่ยเอาซิที่มันจะตายป้องพิเรนก็มันเห็นกันว่าลงจิตได้หมุนขนาดนั้นแล้วมันไม่ ถอยแล้วตายก็ตายไม่ไม um ตายให้กิเลสตายท่านนี้สุดท้ายก็กิเลสก็ตายตาท่านแตกใจท่านกระจ้าขึ้นมาตานอกแตกตาในาเจ้าขึ้นมามันเทียบได้นั้นเนี่ยมรุงมันได้ความจริงเถอะมันวิ่งถึงกันหมดนัเนีหละหลวงพระพุทธเจ้าท่านมาท่านตรัสรู้อันทางที่ศาสนาจบนศาสดาสอนโลก เวลาตรัสทะลุขณะที่ตรัสทะลุใหม่ๆพระองค์ไม่ทรงพิจารณาอะไรให้กว้างขวางเห็นแต่ความมรดจั์ที่มีอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกได้ทั้งนั้นจะมารู้ได้อย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นเองคุณท่านทรงลํำพึงเฉพาะความเป็นในปัจจุบัเนเวลาย้อนออกไปสู่ปฏิปทา น, นก็อ๋ออ๋อท่านอ๋อเนี่ยสมมุติว่าพระองค์รู้เรารู้ได้ยังไงถ้าเป็นของ สุดวิสัยที่โลกทั้งหลายจะรู้ได้เล่าก็อยู่ในโลกทำไมเรารู้ได้รู้ได้เพราะอะไรก็อ๋อเพราะปฏิปฏาทาคืออย่างนั้นอย่างนั้นอ๋ออย่างนั้นก็ได้เนี่ยมีแก่พระทายที่จะสั่งสอนสันโลกด้วยปฏิปฏาทาคือการนำเงินเพรานั้นนันก็มาสอนเป็นจัวิคราะห์ก็เวยไม่พิจารนั้นบอกเลยเถียวอ่าอันตาเบเนเซอันดนอย่างลืมเลยล่ละม่เลวเกินไปอันดาปบายอยู่ไงเซ่อยู่กับยุคบ่บายโยจาการเมุการมสุขานิ า, ขข า, นายอยู่ก มิ้นขโม่โปรทุนโนนี่วัวนะสนี่ตอุบายนั่นผิดตรงนั้นนะยาไปนั้นหนักนี่ก็คืออุบายแล้วเนี่ยปฏิบัทาตรงนั้นอตัคคีลาฐานโยกยาไปนั่นกับสองนั่นกับภาคทางอตัคคีลาฐานโยกนี่กับภาคทางมันเป็นความพลุบเปล่าออกภาคทางมันไม่ถึงไหนแหละมัชฌิมาปฏิบัทางาเกตรสัมบุทธากรกรียาญาณน่งกันิวปัสมายาพิญญาและสัมบุตรธานบาลังสร้างวติให้ไปตรงนี้ให้ไปตรงนี้ความหมายว่างานหนัก สองทางเดินมันลําบากเปล่าๆออกไปทาไมออกไปหาขวดหา้ําออกไปทำไมออกไปหาขวดหา้ํามันไม่แม้จะว่าเป็นสบายสบายอยู่ในภาคทางนั้นมันไปถึงไหนได้เหรอการปฏิบัติตนอยู่ด้วยกิเลสตันหาสักพ่อกปู่หัวใจว่าเป็นความสุขความเพลินเรื่อยๆมันถึงมันอะไรกันอยาไปนอนอยู่นั่นสินี่จะไปนอนอยู่ในขวดใน้ําอัตตาที่เราปัญหาโยกให้เราความลําบากกระดูกบ่ามันอะไรมารยาปฏิบัติเอาลาบากทำลำบากตรงนี้ ทุกข์ันทุกตรงนี้ไปตรงทางนี้นั่นความหมายว่าอย่างนั้นจะ ก, นงงะกูกรานยอะไรกันเองนี่เราจะกูยาจะเกิดขึ้นตรงนี้ตรงนี้นี่นี่แล้ว ห, หมายถึงว่าตถาคตได้เกิดขึ้นมาแล้วเกิดกันแล้วมาตรงนี้ตรงนี้ให้ไปตรงนี้นั่นเป็นปฏิปทาแล้วไหเพราะว่างกันบรรจวกทีทั้งห้าวางหน่ถ้ายาขนิยาก็กได้จักสุ ญ, ญานขึ้นมาบรรลุโสดาได้ความจริงขึ้นมาพูดง่ายๆังจิตเลยเป็นอาจ ร, า ร, ราัสตถา ยานกี่กิสมุไดยธรรมังสัปปะตาเนโรธรรมังเนีสิ่งใดก็ตามซึ่งขึ้นชื่อว่าเกิดขึ้นแล้วมันต้องดับทั้งนั้นนะพูดง่ายๆเอามันถึงใจอย่างนี้อะไรที่ไม่ดับมันก็ยืดปั๊บเลยได้หลักใจแล้วทีนีนี่ความไม่ดับอยู่ตรงนี้อแต่สิ่งแทกซึมมันอยู่ตรงนี้ก็จะฟัดมันออกมันแหลกหมดนะพออย่งนั้นแล้วกัแสดงอนัตตธรรมแล้วอนัตตลกนัตสูตร ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งไต่ทั้งไต่ทั้งในทั้งนอกเอาเข้ามาตีต้นเข้ามาต้นเข้ามายาไปอยู่ตรงนั้นอยาไปอยู่ตรงนั้นนั่นกับอันนี้อันนี้จางนั้นไปกองหนึ่งนั่นทุกขังไปกองหนึ่ง น, น, นาตาไปกองหนึ่าไปเกาะอย่าไปเอย่อปล่อยมันปล่อยมันแสดงไปแสดงไปก็ปล่อยสลัดสลัดหลัดพุ่งเลยนัเห็นะ ไ, ไหมนั่นหลักปฏิบัติเมื่อทรงพิจารณาไปนั้นแล้วอ๋อได้น่ะแล้วทีทรงเ ล, ญญญเล่นยานะนี่นักใคร่ เป็นผู้รู้จร่งจริงเนี่ยทำทั้งหลาย ไ, ไดอย่างรวดเร็วน ะ, นะตอนนั้นพระองค์ยังไม่นั่นพูดง่ายๆว่าถ้าว่าพูดมันบแบบแบย็คล็อกก็ว่าเสเวยแต่เสวยวิมูธบังที่ไม่ได้ใช่เสมอสมมุติเนี่ยโลกมันมีสมมุติท่านก็ว่าเสวยขึ้นมาอความจริงท่านเสวยอะไรเนี่มยมืโลกมีสมมุติก็ต้องว่าเช่นอย่างโลกมีสมมุติอันนั้นก็ว่ามีม่มูธเนี่ย ว่า น, นิพานพอจิตบริสุทธิ์ธั้นมันก็รู้เองเป็นยังไงนิมูตเป็นยังไงนิพานมันรู้เองหามาที่ไหนนิพานไปใครไปสร้างไว้ที่ไหนขอทำสิ่งทีมันพ้นจากที่เด่นนี้เถอะมันจะกระจายถึงกันหมดอืคําว่าวิมุตความดุดพน้นลุดพ้นอะไรลูดพ้นจากอะไรมันก็รู้เองนิพานคืออะไรมันก็รู้เองหนักนจะหาอะไรนิพานน่เห็นไหมในตําราท่านสอนนีเจ้าชีทั้งห้า พอทรงทราบว่าอ๋อรู้ได้โดยปฏิปัติธรรมก็เอาปฏิปัติธรนั้นเลนยันที่จะเป็นเครื่องประกอบกับการสั่งสอนพออระองค์สรงราบว่าเป็นจา ว, วัีลเอามุ่งา เ, เป็นเจา ว, วัเนนาาาีเลยเพิ่นนะตะลักตะลักสูบรรลุหมดเลยรหัสตัวบุคคลขึ้นมาทั้งห้าองค์เนี่ยที่วัดรงต้องกาองค์่น้อยก็เพราะทรง เพ่งเล็งเฉพาะธรรมชาติที่อัศจรรย์ซึ่งปรากฏขึ้นในขระนานนั้นยังเกิดคลางบนขวาน้อยว่าไม่มีใครจะไปรู้ได้อย่างนี้คือวิสัยเมื่อคํานึงถึงปฏิบัติธารเช่นอย่งบ้านมันจะสูงขนาดไหนมันก็มีรีบมีบันไดขึ้นตามนั่นทําไมจะไม่ถึงนะแต่พวกเขสร้างเขายังสร้างได้ทําไมเราขึ้นตำอะไรขึ้นไม่ได้มีหรือเนี่ยนี่เขาปริญ้าทรงประกาศสอนทําไม่หมดแล้วเหมือนกับว่าสร้างอาจสร้างทาให้แจ่บพวกเรา ไม่เรากล้าขึ้นตาม ป, ปู่กิเฉยมันจะเดิ้ขึ้นไปไมาได้นีอยางเหรอมันต้งนงองได้ด้ยของนั้นคำว่าศาสดาเป็นตัวอย่างหมดเลยที่อย่างทุกสิ่งที่แสดงออกนะแล้วถ้าเรามาพิจารณาตามทางของศาสดาเราเป็นศาสดาทุกระยะ ที่ทรงเคลื่อนไหม่เป็นศัสดาของโลกคือจะยืดเป็นคติได้ทั้งนั้นแม้แต่เขณะที่จะปริพันธ์พระองค์ก็ทรงแสดงลวดลายของศัตว์ดาสัตว์ดาไว้อย่างเต็มภูมิเช่นเข้าวปฐมมชานที่อิชาตเจชาเเข้านิโรธมาบัตข้าสมาบัตแปดเหล่านี้เป็นการวางลวดลายของสัตดาหให้เต็มภูมิของศัตดาในวาสุดท้ายนั่นเอง ข้าวปตมชานลูกเตียชาญเหล่านี้เป็นสมมุติเตียงประดามสมมุดผ่านผ่านผ่านกิจ ท, ที่เป็นนิ ม, มุติก็พระอนุธาเห็นนเห็นไหมละ่ะรู้ไหมผู้อื่นไม่สามารถพระอนุธาสามารถไม่ต้องเข้าสัมาธิสมาบัติละทร ง, งก้าเข้าถึงแต่าชาญแรกจนกระทั่งถึงสัญญาเวทนิสตันนิโรธไปทรงสงบอยู่ที่นั่น ถ้าสงสารก็สงสัยเฮ้นี่พระพุิธจาพระองค์บรินิานแล้วเลยอะยังน่นอันนี้กําลังประทับอยู่ที่สัญญาเรือใจโรดดับสัญญาเรือธนาะเนี่ยเวลาทรงเคลื่อนพระกิจออกมานี่พระกิจก็คือพกิจบริสุทธิ์เคลื่อนมายังไงพระนุนก็บอกทําระยะระยะระยะก็เหมือนเรือบินที่มันผ่านไปนี่ยมันผ่านไปก้อนเมฆนี่ก็รู้ผ่านไปก้อนเมฆนั่นก็รู้ผ่านก้อนเมฆถ้าไม่มีก้อนเมฆอะไรเลยก็ไม่รู้จะบินผ่านไปไหน มันมีสิ่งพลาดเพียงอยู่เรื่องธาตุจิตที่บร um. ิสุทธ yes. uh uh ิ์จึงพูดออกมาได้มาวันนี้กําลังก้าเข้าสู่ปฐมฌานและลุติยาฌานยิานก็ะทั้งถึงอาราสาอัาชนะปิญญาตาตาญิจาอาจิตญาณเนสัญญานัญญาชนะผ่านไปผ่านไปองนี้เป็นสมมุติผ่านไปผ่านไปถึงสัญญาเวทายาโรดก็เป็นสมมุติเพราะนั้นก็ย้อนกลับมาพระองค์ไม่ทรงเอาอะไรทั้งนั้นแหละสิ่งเหล่านี้แต่ทรงผ่าน แในขนาดที่จะปริพันธ์ไว้ลวนลาเป็นรัชสุดท้รให้เต็มปุ๋งสัตตะดาอยู่จนทั่งเคลื่อนลงไปถึงปฐมพิชานเลยปฐมพิชานเีกเป็นพระกิตบริสุทธิ์ธรรมดานักก้าวเขาอีกเพราะเลยจตุจักรชานแล้วนั่นอรูปพิชานสีนี่ก็เป็นสมมุูลรูปพิชานสีนั่นก็เป็นสมมูิไม่ตายผ่านของนี้ที่นี่นี่แหละเหมือนกับลูบินที่แบบไม่มีอะไรพลาดพินแล้ว ปริิพานแล้วพูดเดเท่านั้นตอนอยู่ น, นี้พระอนุท่าก็พูดพระกิจ บ, บริสุทธิ์ผ่าน น, านั้นผ่านนั้นพอออกนั้นแล้วไม่มีอะไรที่จะเทียบเทียงไม่มีอะไรจะพาดผิงพอที่จะพูดได้บอกปริิพานแล้วนะคนทั้งโลกที่มีทิ่เดชมันสงสัยกันทั้งนั้นวา่างนี่พระอรหันต์เท่านั้นที่จะไม่สงสัยมีกี่ร้อยกี่พันลายไม่มีรายใดสงสัยเลย เรื่อ ง, องพระพุทธเจ้าพี่แสดงไว้นี่แ่ะเอาอะไรมาสงสัยก็ออกจากความจริงความจริงเหมือนกันนะ่ะเอาอะไรมาสงสัยว่าปฏิพันธ์แล้วนั่นรู้แล้วปฏิพานธ์แล้วเป็นยังไงอันนั้นเป็นยังไงเพราะนั้นไม่ใช่วิสัยคนมีชี้เดชที่จะรู้วิสัยของท่านผู้รู้เท่านั้นผู้พ้นชี้เดชแล้วเท่านั้นจะเหมาะสมกับพันธ์อย่างเต็มที่ไม่มีอะไรสงสัย ทคำว่าผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นแล้วราทาก็จึงหมดปัญหาไปในธรรมชาติที่บริสุทธิ์กันเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเห็นนั้นก็หมดสงสัยบริชาปริพภานไปกี่พระองค์ก็ตามพระเจ้ามีไหมหรือไม่มีสงสัยไปอาลัยนี่ปริยภานไปกี่องค์ก็ตามนั่นเป็นเพียงการสถานที่เรื่องเรื่องสมบูรณนิยมไม่เฉยธรรมชาตินั้นคือยังไงอันนี้คือยังไงอันนี้ฉันนั้นฉันนั้นเข้ากันถึงความจริงแล้เทียบกำภาพเดียวเท่านั้น ท่านไม่เทียมมัเสียเวลาแหละพูดง่ายๆแต่เราแยกออกมาสมมุติเราก็พูดอย่างนี้แหละพอจริงปุ๊บสันนั่นกัมันถึงกันแล้วน่ะอ่าพ่อแม่ครูอาจารย์ทึานท่านหลักท่านกราบทาั้งวันทั้งคืนวันนั้นฟังสิเมื่อถึงแดนหนองอ้ออ๋อย่างนี้เหรอพูดง่ายๆอ๋อย่างนี้เหรอความหลุดพ้นอย่างนี้เหรอ อ, อ๋อนนอ อ, อ, อย่างไงเจอหนองอ้ออุทานพูดง่าย บางคนไปหาน้องอ้อที่เชียงใหม่ก็มีมันบ้าสดสดเรือยพูดถึงน้องอ้อแล้วพูดถึงความอุทานของท่านต่างหากนั่นอ๋ออย่างนี้เลยอ๋ออย่างนี้อย่านั่นอุทานท่านอุทานกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ไม่หลับไม่นอนตลอดรุ่งเลยนัย่นถึงแดนอัศจรรย์อ๋ออ๋ อ, อยุคหันแล้วฮึพมะพุทจ้ า, ปาไปพันไปกี่วิกเดียวมันสะเทือนสะทานอยู่ในหัวใจที่ ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้นล้วนเวลานั้นที่ท่านรู้ขึ้นในขณนะนั้นอยู่ตรงนั้นที่อยู่ตรงไหนพระพุทธเจ้ายิตเท่านั้นเป็นผู้สัมผัสทำทั้งหลายสัมผัสพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็จิตเท่านั้นถ้าจะว่าพรุทธเจ้าทั้งหลายถึงขั้นนั้นแล้วทําไม่ได้ว่าแหละเพราะว่านั้นเป็นมันเป็นสมมติพอเข้าถึงธรรหลักธรรมชาติแล้วท่าไม่ว่าละพะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ที่ไหนว่าอะไร เป็นที่ถ น, น, ดนัดของท่านเต็มภูมิของท่านอยู่ในนั้นเองะอยู่ในความพอดีนั่นเลยความพอดีคืออย่างไงไม่ว่างานที่ทาเหล่นน า, านี้กลาวันนีในหัวใจเราทุกรูปทุ่งนามนี่นะที่กล่าวมาทั้งหมดใจรับจะเป็นผู้เป็นไม่มีอะไรเป็นะการหูตมูกเล่นการนี่มันเป็นา่าผีดินน้ําลงไปมันจะพังไปตามเรื่องของมันไม่ใช่ผู้จะรับอัดรับทำไม่ใช่ผู้จะสัมผัส อัดทำไม่ได้พายชนะที่จะรักทำทั้งหลายตั้งแต่ทำพื้นเพืนจนกระทั่งถือมูจธรรมนอกจากใจดงเดียวเท่านั้นมีอันนี้นะ่ะใจดวงเดียวนี้จะเป็นพู้นรับเริ่มไปตั้งแต่สัมผัสสัมพันธ์ทำขั้นต่างๆนั้ไปโดยลำดับมีแต่ใจทั้งนั้นจะเป็นผู้สามารถนอกนั้นไม่สามารถมาถึงเต็มขั้นเต็มภูมิแล้วก็ทํากับใจก็เป็นอันเดียวกันทำโมปาดีโป เอกโอทำโมอันเดียวกันใจฉันใดทำฉันนั่นเลยหมดฮ่าพูดยังไไงเวลาพูดเหมืมอ น, มนบ้านะพูดแล้วรู้สึกยังไงนะละท่านั่นละจริงนะเนีนย่ย